สัตว์ทั้งหลายย่อมกลัวตายทั้งสิ้นเหตุอะไรภายหลังตรัสว่าพระอระหันต์ไม่กลัวตายเล่าพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสถามว่าพันเตนาฆเสนข่าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาเอตังวัจนังอันวักคานี้พระควตาอันสมเด็จพระผู้มีพระภาคผู้ทรงบุญยราศีผู้มีพระรัศมีแผ่ไปทั้งสามภพ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 สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมิบาลมีพระราชองการตรัสว่าพันเตฆ่าแต่พระผู้เป็นเจ้าอำมาตย์ทั้งสี่คนนั้นจะได้สะดุ้งตกใจกลัวหาไม่ได้พระนาคเกษจริงซักไซว่าเหตุใดเล่าจริงไม่กลัวนะบ่อพิษพระราชสมภารพระเจ้ามิลินปินประชามีพระราชองการตรัสว่าด้วยเหตุสมเด็จพระมหากษัตราย์ที่ราช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 คำแสดงสัตว์ไม่มีส่วนเหลืออัดแสดงสัตว์ไม่มีส่วนเหลือก็มีเนื้อความบันดิตควรรู้ด้วยเหตุห้าประการเหตุห้าประการนั้นอาหัจจะปาเทนะคือบทแห่งบาลีมีอัดจะต้องตามกันนั้นประการหนึ่งระเสนะคืออัดธรสอนุโลมตามบทแห่งบาลีนั้นประการหนึ่งการุตตริตายะ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 ร้อนแรงดิน้นรนกระวนกระวายสุดที่จะกลั้นจะทนพ้นประมาณชลิตามีเปลวเพลิงลุกเผาผลาญประหารอยู่ทั้งตัวก็มีกายหวาดวันสัน ร, ระรัวทั่วอินทรีย์สพังคะปัจจังขามีอวัยวะน้อยใหญ่รัศม์รสายไปด้วยความเวทนาการุญยะกันดิตะบริเทวิตะลาลปิตะมุขามีปากและหน้า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 ตัวนั้นก็สั่นอยู่รัวๆควรจะกรุณาเสวยแต่ความโศกาอาดูนภูนเทเวทอยู่เป็นนิดไม่มีเลยที่จะเว้นวายสบายจิตสักเวลาหาไม่ได้ไมีแต่จะเสวยทุกขเวทนาไปท่าเดียวมิได้ขาดสายตกว่าสัตว์นรกทั้งหลายได้เสวยทุกขเวทนาแสนสาหัสสากัรถึงเพียงนี้ขณะเมื่อจะดับศูนย์สิส้นชีวิตตายจากนรก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 พระนาคเษนจึงมีเถระวาจาว่ามหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารสัตว์นรกจะได้มีสุขสาราญหาไม่ได้มีน้ำใจจะใครพ้นทุกข์เสียโดยเร็วพลันแต่ทว่าอนุภาพแห่งความกลัวตายนั้นมากหนักหนาะสัตว์นรกก็รู้แล้วว่าตายไปจะพ้นความลาบากเวทนาแต่ทว่า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 สัตว์นรกปรารถนาจะตายไปให้พ้นทุกข์ครั้นว่าจะตายเล่าก็กลัวความตายเหมือนบุรุษชายที่กลัวงูอันดูดพิษฉะนั้นมหาราชขอถวายพระพรบอพิษผู้เป็นใหญ่ในสมบัติมหาสวรรค์อนิถังอากันตังมะระนังชื่อว่าความตายจะได้เป็นที่รักที่ยินดีแห่งสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงหามิได้ตัดสมา